พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรอลำดับที่14บโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เจกุมภาพันธ์ 2,560 มีชื่อเรื่องว่าบังคับทิศทางจิตใจด้วยสมาธิวันนี้หลวงพ่ อ, อรายงานยอดเจ้าเข็ม ให้กับคณะทายาทโยมโลูกหลานที่เกี่ยวข้องเขอกผู้เกี่ยวข้องผู้มีศรัทธาน่นนะอยากจะรับผู้รับทราบว่าเจ้าเข็มองค์หลุงาตาในยังขาดยังเหลือขนาดไหนน้นะแต่ผู้ที่ไม่อยากจะรู้ก็งม่เป็นไรปิดหูปิดผมไม่อยากจะฟังไงผู้ที่อยากจะฟังก็หูพึงก็อยากจะทราบว่า รักเคารพในองค์หลวงตาจะตุ ป, ปจัจยยังขาดเหลือเท่าไหร่เขารายงานวันที่หตอนเย็นวันที่หวันนี้เป็นวันที่เจดนะวันที่เ็วันที่6กกพหศูนย์เวลาสิบแปดนัมีจำนวนทั้งสิ้น26กล้านเดือดขึ้นถึง26หกล้านแล้วนะยี่สหกล้าน หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยังขาดปัดจจัยอยู่หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้ใกล้ความจริงเข้ามาเยอะแล้วแต่วันนี้ได้มาอีกแล้วนี่นะได้มาอีกนี่ลูกหลานหลวงตาร่วมกัน กับหลวงพ่ออีกต้นแรกทำ 2, าองสองห้าขาดทุนประาะส่้าพันหกร้อดบาทขาดทุน25งาใช่วันนี้ทำเกินเกินเกิ น, เ ก, นเกินบ้างให้แต่ให้พี่ลงลงชื่อมอีคุณช่อนกินคุณประสิทธิ์อังคณาชวนบุญจำนวนเงิน8 0ด0 0บาททวน เอออนุโมทนาเนอะคุณราตีโยมราตีเป็นผู้ถวายรวมแล้วเป็นสี่ต้นแล้วนะรออีกรออีกหกต้นะห้านะยังรออีกหกต้นใช่ไหมเออหกต้นมันก็มันก็ยังมันเป็นสิบต้นพอดีใช่ไหมนะเออเอามาเอามาเอามารับไมอันและในบุตรบา ลูกสาวของแม่ดำข้างวัดของเราเนี่ถวายอีก 1,000 บาทเสาเข็มเหมือนกันให้ได้บุญได้ลายคณะัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนี่ยร่วมกันทำบุญแล้วก็เสาเข็มนั้นก็จะใช้เงิน32ล้าน3 2มสิล้านหนึ่งแสนสานบาทเสาเข็ม 1,251 นอต้น ต้นละสองหมืาพันหอดบาทผู้ที่จะโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อสุดใจก็นะโอนไปได้ผู้ที่อยู่ใกล้หลวงพ่อไปหาที่อื่นเอา้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อกับพร้อมที่จะรับพอของหลวงตาเนี่ยพอรับได้แล้วก็นเนี่ยเอาเข้าบัญชีบัญชีเจดีของหลวงตานั่นนะพอเราบัญชีวัดเราเปิดเปิดไว้แล้วนะ เราเปิดร้องรับไว้เพราะว่าเราจะสร้างเจดีย์เราจะลงทนุนเือนมาเท่าไหร่เราจะเอาเข้าเงินวัดของเราก็ไม่ใช่แบบเงินที่เงินวัดของเราพอไปนล้นเราเอาเข้านะเพราะเรารับห0สิล้านใช่ไหมละ่ะวัดของเราเนี่ยยังยืนหยัดยืนยันอยู่นะสิล้านบาทเราจะสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาในกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ย แล้วก็เสาเข็มอีกต่างหากนะเสาเข็มในหลงพ่อรวมเสาเข็มเอีกส่วนนึงเสาเข็มก็คือเสาเข็มแต่ส่วนพระเจดีย์จุดนั้นนะแต่วัดของเราเมื่อทูนกระหม่อมเสร็จครั้งสุดท้ายนี่พวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมมีคุณปอเป็นหัวหน้า้กวก็ถไวยทูนกระหม่อม นี่ะเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยสองล้านวันนั้น่ะที่หน้าสาราของเราตอนที่ทรงพระ อ, องค์ตักทรงบาทแล้วก็คุณปอกับคณะก็เข้าไปถวายถวายท่านสองล้านเพื่อร่วมสร้างพระจีดีหลวงตาเข้าบัญชีพระ อ, องค์ท่าน เ, เป็นอันว่าเราในะยัง เรายังเป็นเนี่ยคำพูดอยู่นะสี่สิบแปดล้านห้าสิบล้านถวายไปสองแลแต่ว่าเสาเข็มนี่เราไม่นับนะเสาเข็มคือเสาเข็มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งรวมกันไปอีกรวมกับพี่น้องประชาชนไปแต่โอนก็ไปสองล้านรวมไปแล้วสองล้านหกละเสาเข็มนี่นะแต่ก็คิดว่ารอร อ, รอจังหวะอยู่ทามันช้านะ หลวงพ่อก็คงจะโอนเขาไปอีกเหมือนกันนะแต่ถ้ามันมาเร็วหนะลวงพ่อก็จะรออยู่รอไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปสมทบกับกลุ่ม50สล้านบาทนั้นนะพอหาสิบล้านบาทมันก็หนักหนาอยู่พอสมควรเนี่เรื่องจะตุ ป, ปัจจัหลวงพ่อจะไม่ให้ทัลักถลหลไปทางอื่นก็เจดีก็คือเจดีเท่านั้นถึงจะเป็นเสาเข็ม เสาเข็มถ้ามันเหลือแล้วเราก็ต้องพักผักเข้าไปหาเจดีอีกเพราะเจดีมันจะต้องใช้ จ, ใจิปัจจัยมากมากทีเดียวเหมือนกับเราเหมือนกับเราซื้อเสื้อมาแล้วนะี่ยมีแต่เสื้อเฉยๆถ้ามีเครื่องประดับเข้าไปอีกถ้ามีเพชรนินกินดาเข้าไปอีกเหมือนกับเสื้อ ตัวแล้วเป็นล้านลักษณะอย่างนั้นนะมันมีอะไรบ้างนี่ค็เหมือนกันเจดีย์ของหลวงตาถ้าว่าปิดเป็นปูนธรรมดาปูนปั้นธรรมดาเทลกลมๆธรรมดาก็ร า, ากราคาก็ไม่แพงน ะ, ะถ้ามีดอกมีรวง ม, มีปูนปั้นมีอะไรปรับตกแต่งเข้าไปราคาก็ตกแพงขึ้นอีกถ้าใส่หินหิ น, หนแกลนิตทิน อ่อนหินอะไรเข้าไปอีกปรับตกแต่งด้วยหินอีกแพงขึ้นไปอีกนะนั่นแะแต่เราจะเอาอะไรนะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาลูกศิษย์ลูกหาคณะสัทธา ญ, ญาจมเลยจะเอาอะไรนะจะเอาอย่างไรนะพวกเราต้องได้คิดกันแล้วทเนะเราจะเอาแบบง่ายๆราคาถูกๆอย่างนั้นเลยหรือว่าเราจะเอาให้ดีที่สุด ตามศิลปะศิลปรกรรมของมหาวิทยาลัยที่เขาจะออกแบบได้อันนี้ก็พวกเราจะต้องได้ร่วมกันคิดอีกในขั้นต่อไปทีต้องได้ใช้จิุปัจจัยนะถ้าหากว่าเราเอาแบบเรียบ ง, ง่ายก็ได้ใช้ปัจจัยน้อยถ้าจะเอาที่มันตามแนวความคิดของสถาปนิก คงจะได้ใช้เงินมากพอสมควรอยู่นะอันนี้ก็วันนั้นะวันเมื่อเราเซ็นสัญญากันนะแต่บางคนก็เมื่อวานก็ทราบข่าวว่าเขาตอกเสาเข็มลงได้ห้าต้นนะแต่มิดแต่มิดไปสองต้นแต่โพสามต้นมันตอกไม่ลงเนี่ยมันใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะอยู่ใต้ดินะ่ะ บางทีอาจจะเป็นหินก้อนมักใหญ่อยู่ข้างล่างก็ได้พอตอกลงไปไปเจอหินก่อนนั้นเข้าไปแล้วก็ดตอกยั ง, งก็ไม่หลงก็ต้องหยุดใช่ปัญจุตัยหินเนี่ยเหมือนกับเราแทงหวนะัวน่ะถ้าแทงหัวถูกทุกครั้งทุกครั้งเรคงจะรวยแล้วแต่นี้ว่าแต่บางครั้งมันก็ผิดก็จมเม็ดะแต่บางตัวก่อนนี่แหละมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่ถูกนะมันชวนมากแต่นี้ก็เขาสํารวจเหมือนกันนะ เขาสำรติเจาะลูสี่หลุมเเจาะสี่หลุมลองฟังเสาเข็มเนี่ยพันสอห้าต้นเขาเจาะสี่หลุมเขาก็่าวเนี่ยประมาณ21เมตรแต่พอเข้าจริงๆะบางทีมันไม่ถึงเนี่ยเพียงบางต้นก็สิบเเมตรเท่านั้นเจอลเจอเหินลวตอกไม่ลงลว ก็โผล่ขึ้นมานะบางต้นก็ตอกลงไปก็จมเม็ดอีกนั่นแหละใครจะไปรู้เลยอยู่ข้างล่างนะเออจะเอามาตรฐานเดียวกันก็ไม่ได้เท่าแต่เผื่อเผื่อไว้ดีกว่านะแต่หลวงพ่อเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนะี่ยตรงพระเจดีพนระเจดีจะต้องรับรับน้ำหนักมากนะหกสิบเม็ด ตรงพระเจดีย์ถ้าเป็นไปได้นะ่ะเอา21เมตรลงทั้งหมดมันจะโผล่หรือมันจะมิดก็เอาเอาไว้ก่อนถ้าเผื่อว่ามันมันมิดก็ให้มันให้มันแน่นถ้ามันโผล่ก็ให้เออไม่เป็นไรยอมเสียตรงพระเจดีย์นะแต่ตรงอื่นไม่เป็นไรหรอกตรงอื่นมันไม่รับน้ําหนักพิพิธภัณฑ์หรือ สล า, ลายไม่รับน้ําหนักมาไม่รับน้าหนักมากกว่ามันเป็นอาคารนะแต่ตรงพระเจดีเนี่ยนะถึงยังไงต้องเน้นหนักให้มากต้องเอาเข็มยาวไว้ก่อนทุกตนเลยอเพื่อจะให้มันรับน้ําหนักเต็มที่ตรงพระเจดีเพราะว่าน้ําหนักตนนัวนี้มันไม่ถอยไปที่ไหนเนี่ยเพราะมันเป็นหินเป็นปูนเป็นนั่นแหละมีตะของหนักๆมีตะเหล็ก มันหนักอยู่ยี่สิี่ชั่วโมงเลยหนักอยู่ตลอดนะมันไม่เบาหรอกพกหินนะ่ะแต่ตอนี้พอต่อไปภายภาคหน้าทําเสาเข็มมันสุดนะพอเสาเข็มสุดนะผ้าเจดีมันก็ทั้งก็เอียงเลยนะเพราะนั้นเราต้องทําให้แข็งแรงเอาไว้จุดนี้นะหลวงพอได้แนะนำอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าวิศวกรวิศวกรวรม สถาปนิกเขาจะเอาอยัางไงแต่หลวงพ่อเป็นตะเวียงวิศวากานะกะไปเรื่อยวะนะสถาปนิกนึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยเดาไปเรื่อยเนะพราะเราเราเป็นสถาปนิกเห็นไหมละ่ะวิศวากานะนีแต่กว่าวิศวกรรมของเขาหรือวิศสถาปนิกสถาปนิกของเขาเขาจะคิดยังไงแต่เรามีแต่ให้ความคิดนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะกระสุดแต่แต่ถ้าเขาว่าเออหลวงพ่ออินี่คิดโทกนะุกเขาก็คงจะออกไปเอาไปคิดกันหลวงโอ้ไม่เป็นตามหลวงพ่อคิดหรอกหลวงพ่อคิดเดาเฉยๆหลักวิชาการเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องยอมรับเขาเหมือนกันว่าเขาเรียนมาใช่ไหมละ่ะผลที่สุดก็นะั้อยู่ไปนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเราอาจจะอยู่ไปห้าหกปีหรือถึง สิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พอจริดีจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีนะลูกหลานนะ ว, วันนี้เป็นวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560งานของเรากับวันที่11นะลูกหลานไม่กี่วันให้พร้อมๆกันนะดูทางในครัวก็จะให้ขาดตกบกพร่องพวกถ้วยชามพวกอะไรของใช้ของเราเตรียมพร้อม มีอะไรพวกถอนรับขับสู้เรื่องผ้าห่มพวกอะไรก็ช่วยช่วยกันดูนะทางในครัวนะในครัวก็ช่วยกันดูถ้าหากว่าไม่พร้อมก็บอกมามาบอกทางครูบาอีกครูบาของเราจะได้เข้าไปช่วยดูอีกถ้าพวกเราดูดูกันได้ก็ให้พวกในครัวดูกันหรือเอาชาวบ้านมาช่วยดูกันทางฝ่ายในทางฝ่ายครูบาก็เหมือนกัน กางตั้งปล่อยครูบาก็ให้เตรียมพร้อมทางที่พักพาอาศัยของอจวะจตุกปัจจัยถวายพระมีอะไรอย่างที่เคยจัดเคยทานั่นแหละแต่ว่าเราเคยทํายังไงเราก็ทาอย่างนั้นน่ะเราคนนิมนต์ครูบาอาจารย์คิดว่าคงจะนิมนต์แ ล, ละมั่งช่วยๆกันคิดพ้นนิมนต์ทุกวั น, น, นก็นง่าย บอกก่าสัตยาดบอกกา า, กกาไปแบบนิมนต์องค์ที่จะมาได้นะองค์มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะมาได้ก็นิมนต์เนี่ยที่อยู่ที่รู้จักมักคุ้นกันทาบุญเราวัดของเราทาบุญรวมญาติวันที่11วันที่10สวดมนต์เย็นวันที่11ถวายพระทหารเช้าอุทิศสวนกุศลแต่ผู้หมวดดิด ผู้หมวดติดบวชไปแล้วนะใครโยมฉลาดที่เป็นทายกเตรียมเตรียมพร้อมนะให้ดูล่างหนังสือขึ้นมาเป็นการกล่าวถวายพระราชเป็นพระราชกุศลด้วยให้ควบคุมแล้วก็เป็นการถวายกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่เราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้นั่นะนะเป็นการถวาย ให้ทั่วถึงกันพวกเราก็มีพ่อมีแม่ก็ตั้งจิตอุทิศนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราทุกคนอีกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเราทำบุญไปแล้วเน่ยเหมือนกับเราได้เงินมา เ, เอาเราแจกจะแจกให้ใครเมื่อเราไปทำงานงานห้างสัพพสินค้าอย่างนั้นไปทำงานห้างประสิมสัพพสินค้าพอก็ได้เงินเดือนมาเราจะแจกให้ใครเป็นหน้าที่ของเรานะ ไม่ใช่ว่าทุกคนรวมกันไปให้คนใดคนหนึ่งไม่ใช่เราได้เงินมาแล้วก็ต้องแจกให้พี่ให้น้องของเราเองกลุ่มของเราคณะของเราผู้มีพระคุณสำหรับเรานะไม่ใช่ว่าพวกเราได้เงินห้างสัพ ป, ประรค้ามาแล้วก็อมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับมาตะบุต ม, มอบให้หลวงพ่ออินทั้งหมดเลยยังไปได้อย่างไงใช่ไหมหลวงพ่ออิน ก็รวยองเดียวะและ้วคนอื่นล่ะก็มีอยู่มีกินเหมือนกั น, นวันนั้นเวลาเรารั บ, รบได้มาเลยก็อ้าวแบ่งให้พี่ให้น้องวงศาคนาญาตินี้ก็เหมือนกั น, นเวลาเรามาทำบุญร่วมกันรวมกันอุทิศจวนกุศลในวันที่สิบเอ็ดเมื่อเราทําบุญอุทิศแล้วนะต่างคนก็ต่างอุทิศกุศลให้กับพ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาติของตนเอง ปู้ฆาได้ทำบุญนะคราวได้ทำบุญรวมญาติเป็นการทำบุญของวัดบุญกุศลที่ได้ทาในวันนี้ก็ขอให้ส่วนหนึ่งก็คืออุทิศให้กับผู้มีอุปกรคุณของวัดที่มาช่วยวัดลงทุนเครื่องจิตตบปั จ, จกำลังแรงกำลังสติปัญญามาช่วยวัดแห่งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำทุกอย่างทำเป็นบางส่วนทำท่านอาจจะทำมากกว่าแต่ท่านร่วงรับไปแล้วดวงวิ ญ, ญญาณท่านเหล่านั้นสิงสถินทินใดที่ใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราเนอะพวกเราได้รับความส ะ, สะดวกสบายได้มาปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะอันนี้ก็ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกระคุณของวัดและก็อุทิศวนกุศลให้กับผู้มีอุปกระคุณของตนเองอีกทุกคนนี่แหละการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้มีจุดประสงค์อย่างอน่คณะทศชาิโ ย, ยมทุกหมู่ทุกเหล่านี่แหละเมื่อเราอยู่เบื้องหลังเราได้ทำบุญเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ท่านวงรับไปก่อน ทำเป็นปทอดกันอันนี้คือตามหลักของพุทธศาสน า, เ, าเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือท่านเราได้ศึกษาในถักหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธที่ท่านวางที่ท่านพูดเอาไว้สรุปแล้วก็คือเรื่องตายเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อเ น, นเน้นแล้วบอกเกี่ตายแล้วไม่สูญนั่น ถ้าว่าตายแล้วศูนย์หลงพวกเราไม่ต้องคิดมากหรอกตายแล้วมันก็หายสาบศูนย์ไปเหมือนควันบุหรี่นะอย่างที่ว่านะไปหายเข้าไปในมิ ด, มดไปเลยอแต่มันไม่หายสิมันเป็นตัววิญญาณไปปฏิสนธิอไปหาเกิดได้อยู่พอออกจากร่างนี่แล้วเนะี่ยเราจะเป็นอะไรเข้ามาสวมตัวของเราจะเป็น กายทิพย์ก็จะเป็นอะไรเข้ามาในช่วงนั้นมันเมื่อเราออกจากร่างแล้วนคือดวงวิญญาณนั่นคือตัวนามพระธรรมตั ว, พวโพรู้นัน่นนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่ตัวรู้เดี๋ยวนี้มาอยู่มันมาครองอยู่ในกายของเราเน่ยร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถอย่างที่ว่ามาอาศัยอยู่ที่นี่ก็อาศัยแล้วก็กระใช้อุปกรณ์คือสมอง ใช้สมองสมองก็สั่งการให้พูดเนี่ยงพ่อเนี่ยคือใช้จิตเนี่ยให้สมองสมองก็สั่งงานพูดสั่งออกมาทางทางวาจาเนี่ยวาจาก็พูดออก ใ, น ใ, น ใ, นใจก็สั่งออกมาการกระทำอกีกการกระทำทำยังไงนี่แหละสรุปแล้วมันออกมาจากใจทั้งหมด ในหลักของพุทธศาสนาแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามันก็มีอยู่จุดนี้ท่อนเองนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดนะเพราะนั้นท่านจึงให้มีสมาธิสมาธิาธดูใจเทนะียแต่เราว้แต่ละวันมันคิดเรื่องอะไรนะใจของเราเนะี่ยมันปุงฟุ้งไปทางไหนเนะี่ยถ้ า, าว่าตามปกติถ้าเราคิดไปเฉยเเนะี่ยมันจับไม่ได้นะถ้ามีสมาธิเนะี่ย สมาธิสมาธิจะทำวิธียังไงจึงจะมีสมาธิท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ล่ะต่อไปก็จับจิตจับใจอยู่มันนึกคิดเรื่องอะไรไงขนาดจับลมหายใจเข้าออกตัวเองก็ยังไม่อยู่นะยังไม่ยังไม่ทันน่ะเดี๋ยวก็หลงแล้วก็ลืมขนาดลมหายใจเข้าออกแท้ๆยังลืมหลงยังเผลอไปได้แล้วจะไปจับจิต ตัวผู้รู้รูนะมันจับยากนะแต่ถ้าว่าเราเอาสมาธิจับที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเขาออกก้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเขาออกก้าก็รู้หายใจออ ก, กรู้พอรู้เอจิตใจเน่งงนะกําหนดตัวผู้รู้เห็นี่ยใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ลเลยไปที่ไหนแต่สติจับจับจับจับทันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนี่แหละ จากนั้นก่อนเนี่ยเราจะรู้รายว่าใจดวงนี้ความพวกรู้ดวงนี้นะมันคิดเรื่องอะไรแต่ละเรื่องนะแต่มันคิดเรื่องทามันจะคิดไปในทางที่เลวนะไปทางที่ไม่ดีเบล็กเจียบเบล็ก้ามันคิดไปในทางที่ดีเอาส่งเสริมมันสติของเรามันทันอยู่ตลอดแนตะ่ฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะทตาญาณโยมพานเนนะ สมาธิเนี่เป็นเบื้องต้นเป็นกุญแจดอกดอกแรกนะที่จะกำหนดจิตใจให้อยู่ได้แล้วก็จะดำเนินการอย่างไรไมือจิตตองเป็นสมาธิซะก่อนนะถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจลวนเลจิตใจปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดนะมันจับไม่อยู่แล้วนั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะตงเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วนะ จิตใจเน่งพอสมควรแล้วนะเราจะมองเห็นอะไรละหลายอย่างในตัวของเราในรอบด้านของเราเราจะปรุงเราจะคิดเรื่องอะไรเราจะปรับปรุงแก้ไขอะไรทันเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพอมันออกไปจากใจของเรานะ่ยเพราะนั่นท่านจึงให้เตือนสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสติจําเป็นที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเลยสตินะ่ะ อลับพอนะตอนนีนะ